มนุษย์เรื่องลักษณะสามัญของสิ่งทั้งปวงไตลักษ์บทนี้จะกล่าวถึงข้อที่ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงประกอบอยู่ด้วยลักษณะอันเรียกว่าไตาลักษ์ หรือลักษณะสมประการกล่าวคือความเป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตาอนิจจังแปลว่าไม่เที่ยงหมายความว่าสิ่งทั้งหลายมีลักษณะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่มีความคงที่ตายตัวทุกขังแปลว่าเป็นทุกมีความหมายว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีลักษณะที่เป็นทุกมองดูแล้วน่าสังเวชใจ ทำให้เกิดความทุกใจแก่ผู้ที่ไม่มีความเห็นอย่างแจ่มแจ้งในสิ่งนั้นๆอนัตตาแปลว่าไม่ใช่ตัวตนหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความหมายแห่งความเป็นตัวเป็นตนไม่มีลักษณะอันใดที่จะทำให้เรายึดถือได้ว่ามันเป็นตัวเราของเราถ้าเห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนถูกต้องแล้วความรู้สึกที่ว่า ไม่มีตัวตนจะเกิดขึ้นมาเองในสิ่งทั้งปวงแต่ที่เราไปหลงเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนนั้นก็เพราะความไม่รู้อย่างถูกต้องนั่นเองขอให้ทราบว่าลักษณะสามัญสามประการ น, นี้พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมากกว่าคำสั่งสอนอื่นๆในบรรดาคำสั่งสอนทั้งหลาย จะนำมารวบยอดอยู่ที่การเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี้ทั้งนั้นบางทีก็กล่าวตรงตรงบางทีก็พูดด้วยโวหารอย่างอื่นแต่ใจความมุ่งแสดงความจริงอย่างเดียวกันเรื่องของความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งทั้งหลายนี้เคยมีสอนกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าแต่ไม่ได้ขยายความให้ลึกซึ้งเหมือนของพระพุทธองค์ เรื่องของความทุกข์ก็เหมือนกันมีการสอนมาแล้วแต่ไม่ลึกซึ้งถึงที่สุดไม่ประกอบด้วยเหตุผลและไม่สามารถชี้ถึงวิธีดับทุกข์ที่สมบูรณ์จริงๆได้เพราะยังไม่รู้จักความทุกข์อย่างเพียงพอเท่ากับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าส่วนเรื่องความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนี้มีสอนแต่ในพระพุทธศาสนาเท่านั้น ข้อนี้เป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าผู้ที่รู้จักว่าอะไรเป็นอะไรถึงที่สุดเท่านั้นจึงจะรู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของตนเหตุนั้นจึงมีสอนแต่โดยพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นบุคคลที่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรได้ถึงที่สุดจริงๆคำสอนเรื่องลักษณะสามประการนี้ มีวิธีปฏิบัติเพื่อให้เห็นแจ้งมากมายหลายวิธีด้วยกันถ้าปฏิบัติจนเห็นแจ้งแล้วเราจะพบว่ามีข้อสังเกตข้อหนึ่งคือต้องการเห็นจนรู้สึกว่าไม่มีอะไรน่ายึดถือไม่มีอะไรที่อยากจะเอาจะมีจะเป็นซึ่งสรุปสั้นๆว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาไม่มีอะไรที่น่าเป็น เมื่อท่านมองเห็นว่าความมีความเป็นอย่างใดก็ตามเป็นของหลอกลวงเป็นมายาไม่น่าเอาไม่น่าเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นจริงๆดังนี้แล้วนั่นแหละคือการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างถูกต้องส่วนคนที่ท่องอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ทั้งเช้าทั้งเย็นหลายร้อยหลายพันครั้งมาแล้ว ไม่อาจเห็นก็ได้เพราะไม่ใช่วิสัยที่จะเห็นได้ด้วยการฟังหรือการท่องการคำนึงคํานวณเอาตามหลักเหตุผลนั้นไม่ใช่การเห็นแจ้งอย่างที่เรียกว่าเห็นธรรมการเห็นธรรมไม่อาจจะเห็นได้ด้วยการคิดไปตามเหตุผลแต่ต้องเห็นแจ้งด้วยความรู้สึกภายในที่แท้จริงเช่นการพิจารณาเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด ที่ทำความเจ็บปวดให้แก่ตนที่เข้าไปหลงไหลอย่างสาสมอาศัยการที่ได้กระทบจริงๆจนเกิดเป็นความรู้สึกแก่จิตใจขึ้นมาจริงๆแล้วเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความสลดสังเวชขึ้นมาอย่างนี้จึงจะเรียกว่าเห็นธรรมหรือเห็นแจ้งการเห็นแจ้งทำนองนี้อาจเลื่อนสูงขึ้นไปตามลาดับ จนกว่าจะถึงเรื่องสุดท้ายที่ทำให้ปล่อยวางสิ่งทั้งปวงได้ส่วนผู้ที่ท่องอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือพิจารณาอยู่ทั้งวันทั้งคืนแต่ถ้าไม่เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายต่อสิ่งทั้งปวงคือไม่อยากเอาอะไรไม่อยากเป็นอะไรไม่อยากยึดถือในอะไรแล้วก็เรียกว่ายังไม่เป็นอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้น จึงสรุปความเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนลงไว้ที่คำว่าเห็นจนเกิดความรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาหรือน่าเป็นพุทธศาสนามีคำอยู่คำหนึ่งเป็นคำรวบยอดคือคำว่าสุญญาตาซึ่งแปลว่าความเป็นของว่างคือว่างจากความหมายแห่งความเป็นตัวตน ว่างจากสาระที่เราควรจะเข้าไปยึดถือด้วยกำลังใจทั้งหมดทั้งสิ้นว่าตัวเราของเราการเพ่งพิจารณาดูให้เห็นว่าสิ่งทั้งปวงว่างจากสาระที่ควรเข้าไปยึดถือนั้นเป็นตัวศาสนาโดยแท้เป็นหัวใจของการปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาเมื่อรู้แจ้งว่าทุกสิ่งทุกอย่างว่างจากตัวตนแล้ว ก็เรียกว่ารู้พุทธศาสนาถึงที่สุดคำว่าว่างจากตัวตนคำเดียวก็เป็นการเพียงพอที่รวบเอาคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตามาไว้ด้วยเสร็จเมื่อมันไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่มีส่วนไหนยั่งยืนถาวรก็เรียกได้ว่าว่างเหมือนกัน เมื่อเต็มไปด้วยลักษณะที่ดูแล้วน่าสังเวชใจก็แปลว่าว่างจากส่วนที่เราควรจะเข้าไปยึดถือเอาเมื่อเราพิจารณาดูว่าไม่มีลักษณะไหนที่คงทนเป็นตัวตนของมันเองได้เป็นเพียงธรรมชาติที่ผันแปรไปตามกฎของธรรมชาติอันไม่ควรเรียกว่าเป็นตัวเป็นตนของมันเองดังนี้ก็เรียกว่าว่างจากตัวตนได้ ถ้าบุคคลใดเห็นความว่างของสิ่งทั้งปวงแล้วก็จะเกิดความรู้สึกไม่น่าเอาไม่น่าเป็นในสิ่งต่างๆขึ้นมาทันทีความรู้สึกไม่อยากเอาไม่อยากเป็นนี่แหละมีอำนาจเพียงพอที่จะคุ้มครองคนเราไม่ให้ตกไปเป็นทาตของกิเลสหรืออารมณ์ทุกชนิดบุคคลชนิดนี้ไม่สามารถทำความชั่วต่อไป ไม่หลงไหลพัวพันติดอยู่ในสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือเอ็นเอียงไปตามสิ่งยั่วยวนใจใดๆเขาย่อมมีจิตใจที่เป็นอิสระอยู่เสมอและไม่มีความทุกข์เลยที่ว่าไม่มีอะไรน่าเอาหน้าเป็นนี้เป็นสำนวนโวหารอยู่สักหน่อยคำว่าเอาและเป็นในที่นี้หมายถึงการเอาหรือเป็นด้วยจิตใจที่หลงไหล ด้วยจิตใจที่ยึดถือด้วยจิตใจทั้งหมดทั้งสิ้นจริงๆไม่ได้หมายความว่าคนเราจะเป็นอยู่ได้โดยไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรเสียเลยตามปกติคนเราจะต้องเอาอะไรเป็นอะไรอยู่เป็นประจำเช่นจะต้องมีทรัพสมบัติมีบุตรภรรยาเรื่องสวนไร่นาจะต้องเป็นคนดีเป็นผู้แพ้เป็นผู้ชนะ หรือเป็นผู้ถูกเอาเปรียบเป็นต้นจะต้องมีความเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดอยู่เสมอแล้วทำไมพระพุทธศาสนาจึงมาสอนให้เราพิจารณาในทางที่จะไม่เอาไม่เป็นข้อนี้หมายความว่าพุทธศาสนาได้ชี้ให้เห็นว่าการเอาการเป็นนั้นเป็นเรื่องสมมุติอย่างโลกโลกอย่างหนึ่งและเป็นไปด้วยอํานาจของความไม่รู้หรืออวิชชานั่นเอง เพราะเมื่อพูดกันตามความจริงขั้นที่เด็ดขาดถึงที่สุดซึ่งเรียกว่าขั้นปรมาัตน์แล้วคนเราจะเอาอะไรเป็นอะไรไม่ได้เลยเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าทั้งคนที่จะเอาและสิ่งที่ถูกเอานะั้นมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนด้วยกันทั้งนั้นแต่คนที่ไม่รู้เช่นนั้นย่อมจะต้องมีความรู้สึกว่าเราเอาเรามีเราเป็น เป็นธรรมดานี่เป็นสิ่งที่ช่วยไม่ได้ความรู้สึกว่าเอาว่าเป็นนั่นเองได้ทำให้เกิดมีความหนักใจหรือความทุกข์ขึ้นมาการเอาการเป็นก็เป็นความอยากอย่างหนึ่งคืออยากไม่ให้สิ่งที่ตนกำลังเอากำลังเป็นอยู่นั้นสูญหายหลุดลอยไปความทุกข์เกิดมาจากความอยากมีอยากเป็นอันรวมเรียกสั้นๆว่าความอยาก ซึ่งเรียกโดยภาษาบาลีว่าตันหาการที่อยากก็เพราะไม่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรอยากมันเป็นความเข้าใจผิดติดตามมาตามสัญชาตญาณเกิดมาตั้งแต่เด็กๆ ก, ก็รู้จักอยากแล้วก็เกิดผลอย่างใดยอย่างหนึ่งขึ้นมาซึ่งตรงตามที่อยากก็มีไม่ตรงก็มี ถ้าได้ผลตรงตามที่อยากก็เกิดอยากให้มากขึ้นไปอีกถ้าไม่ได้ผลตรงตามที่อยากก็ต้องดิ้นรนทาอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปจนกว่าจะได้ผลตรงตามที่อยากเมื่อทาลงไปมันก็ได้ผลอย่างใดอย่างหนึ่งวนเวียนเป็นวงกลมของกิเลสการกระทำผลวิบากอยู่อย่างนี้เรียกว่าวัตตสงสาร คำว่าวัตตสงสารนั้นอย่าเพื่อเข้าใจว่าเป็นเรื่องของการเวียนบนชาติโน้นชาตินี้ชาตินั้นแต่อย่างเดียวที่แท้จริงกว่านั้นเป็นเรื่องการวนเวียนของสิ่งสามสิ่งคือความอยากการกระทำตามความอยากผลอย่างใดอย่างหนึ่งที่ได้มาจากการกระทำนั้นแล้วไม่สามารถหยุดความอยากได้เลยต้องอยากอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป แล้วก็กระทําอีกได้ผลมาอีกเลยส่งเสริมความอยากอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปเป็นวงกลมอยู่อย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดท่านเรียกว่าวัตตะหรือวัตตะสงสารเพราะเป็นวงกลมที่เวียนวนไม่มีที่สิ้นสุดลงได้คนเราต้องทนทุกทรมานก็เพราะติดอยู่ในวงกลมนี้เอง ถ้าใครหลุดออกไปจากวงกลมนี้ได้ก็เป็นอันว่าพ้นไปจากความทุกทุกอย่างโดยแน่นอนคือเข้าถึงนิพพานไม่ว่ากระยาจกเข็นใจเศรษฐีมหากษัตริย์จกักรพรรดิเทวดาพรหมหรือจะเป็นอะไรก็ตามทีล้วนแต่ตกอยู่ในวงกลมนี้ทั้งนั้นจะต้องมีความทุกข์ทรมานชนิดใดชนิดหนึ่ง ซึ่งเหมาะสมกับความอยากของเขาฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าในวัตตสงสารนี้เต็มไปด้วยความทรมานอันใหญ่หลวงศีลธรรมหรือจริยธรรมนั้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาข้อนี้ได้เลยเราจึงต้องพึ่งตัวแท้ของพุทธศาสนาที่เป็นหลักธรรมชั้นสูงให้แก้ไขในเรื่องนี้โดยเฉพาะทีเดียว ทั้งหมดนี้เราจะเห็นได้ว่าความทุกข์นั้นมาจากความอยากสมดังที่พระพุทธเจ้าท่านจัดความอยากไว้ในเรื่องอริยาสตร์ข้อที่สองในฐานะเป็นมูลเหตุให้เกิดความทุกข์ต่างๆโดยตรงความอยากมีอยู่สามอย่างอย่างแรกเรียกว่ากามตันหาอยากในสิ่งน่ารักน่าใครพอใจ จะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรก็ได้อย่างที่สองเรียกว่าภวะตัญหาคือความอยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่ตนอยากจะเป็นอย่างที่สามเรียกว่าวิภวะตัญหาคือความไม่อยากให้มีอย่างนั้นไม่ให้เป็นอย่างนี้หลักเกณฑ์ข้อนี้กล้าท้าให้ใครๆพิสูจน์ หรือแย้งอย่างไรก็ได้ว่ายังมีความอยากอะไรอีกบ้างนอกเหนือไปกว่าสามอย่างที่กล่าวมานี้ท่านทั้งหลายจะมองเห็นว่าเมื่อมีความอยากที่ไหนก็มีความร้อนใจที่นั่นและเมื่อต้องกระทําตามความอยากก็ย่อมมีความทุกข์ตามส่วนของการกระทําได้ผลมาแล้วก็หยุดอยากไม่ได้คงอยากต่อต่อไป ต้องมีความร้อนใจต่อไปอีกเพราะยังไม่เป็นอิสระจากความอยากจึงต้องเป็นาธาตุของความอยากด้วยเหตุนี้จึงกล่าวว่าคนชั่วทำชั่วเพราะอยากทำชั่วมันก็มีความทุกข์ไปตามประษาคนชั่วคนดีอยากทำดีตามภาษาของคนดีแต่ข้อนี้อย่าเพิ่งเข้าใจว่า เป็นการสั่งสอนให้เลิกละจากการทำความดีเฉพาะในที่นี้ประสงค์จะให้เห็นว่าความทุกนั้นมีอยู่หลายระดับละเอียดจนคนธรรมดาเข้าใจไม่ได้ต้องพึ่งพาอาศัยสติปัญญาของบุคคลประเภทพระพุทธเจ้าซึ่งชี้ให้เห็นว่าเราจะพ้นจากความทุกข์โดยสิ้นเชิงด้วยลำพังเพียงการกระทำความดีอย่างเดียวเท่านั้นไม่พอ ยังจะต้องทําบางสิ่งที่ยิ่งหรือเหนือไปจากการทําความดีซึ่งได้แก่การทําจิตให้หลุดพ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาตของความอยากทุกชนิดนั่นเองนี่เป็นใจความสําคัญของพระพุทธศาสนาซึ่งไม่มีทางแพ้ศาสนาใดๆในโลกอันไม่อาจเข้ามาเทียบสู้หรือเคียงคู่ได้ในส่วนนี้ จึงเป็นส่วนที่ต้องจำไว้ให้แม่นยาเราเอาชนะความอยากทั้งสามอย่างที่กล่าวแล้วได้นั่นแหละจึงจะเป็นความพ้นจากความทุกข์หรือหมดความทุกข์โดยประการทั้งปวงเราจะกาจัดหรือดับระงับหรือตัดรากเหง้าของความอยากให้หมดจดสิ้นเชิงได้อย่างไรคำตอบก็คือว่าพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนจนมองเห็นว่าไม่มีอะไรที่น่าอยากนั่นเองมันมีอะไรบ้างที่น่าเอาน่าเป็นซึ่งเมื่อเอาหรือเป็นเข้าแล้วจะไม่โยนความทุกชนิดใดชนิดหนึ่งมาใส่ให้บุคคล น, นั้นขอให้ตั้งปัญหาถามขึ้นอย่างนี้ได้อะไรหรือเป็นอะไรบ้าง ที่จะไม่นำมาซึ่งความหนักอกหนักใจขอให้ลองคิดดูการได้บุตรได้ภรรยานำเอาความเบากายเบาใจมาให้หรือเอาภาระหลายอย่างมาให้การได้ตำแหน่งหน้าที่เป็นการได้มาซึ่งความสงบเย็นหรือได้มาซึ่งภาระหนักโดยในนี้จะเห็นได้โดยง่ายว่า ล้วนแต่นำมาซึ่งภาระและหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งเสมอเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงล้วนเป็นภาระเพราะความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนของมันนั่นเองเมื่อเราได้อะไรมาเราก็ต้องจัดการกับสิ่งนั้นๆให้มันคงอยู่กับเราให้เป็นไปตามใจเราหรือมีประโยชน์แก่เรา แต่แล้วสิ่งนั้นๆตามปกติมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่เป็นตัวตนของใครคือไม่รู้ไม่ชี้ต่อความประสงค์มุ่งหมายของบุคคลใดมีแต่จะเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามวิสัยของมันเองการพยายามของคนเราจึงเป็นการต่อสู้หรือเป็นการต่อต้านกฎแห่งความเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านั้นฉะนั้น จึงเกิดเป็นความยากลำบากหรือเป็นความทนทรมานในการที่จะเป็นอยู่หรือไปทำสิ่งทั้งหลายทั้งปวงให้เป็นไปตามความประสงค์ของเราอุบายซึ่งจะจัดการกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ไม่น่าเอาไม่น่าเป็นนั้นมีอยู่ข้อนี้ได้แก่การพิจารณาให้ลึกซึง้งจนพบความจริงว่าเมื่อยังมีกิเลส ต, ตัณหา ความรู้สึกในการเอาการเป็นนั้นย่อมมีลักษณะไปอย่างหนึ่งถ้าไม่มีกิเลสตัณหามีแต่ปัญญาที่จะรู้จักสิ่งต่างๆถูกต้องดีว่าอะไรเป็นอะไรแล้วความรู้สึกในการเอาการเป็นหรือการได้ของบุคคล น, นั้นย่อมอยู่ในลักษณะอีกแบบหนึ่งยกตัวอย่างง่ายๆเช่นการกินอาหาร ถ้ากินด้วยตัณหาหรือด้วยความอยากในความอร็จอร่อยการกินอาหารของผู้นั้นต้องมีอาการต่างจากบุคคลที่ไม่กินอาหารด้วยตัณหาแต่กินด้วยสติสัมปชัญญะหรือมีปัญญารู้ว่าอะไรเป็นอะไรนี้ก็เป็นคนด้วยกันแต่คนหนึ่งกินด้วยตัณหาอีกคนหนึ่งกินด้วยความรู้สึกตัวด้วยสติปัญญา การกินจะต้องผิดกันกิริยาอาการที่กินและความรู้สึกในขณะกินก็จะต้องผิดกันและในที่สุดผลอันเกิดจากการกินก็ต้องผิดกันเราต้องทำความเข้าใจกันในข้อที่ว่าแม้จะไม่ต้องมีตัณหาหรือความอยากในรสอร่อยคนเราก็กินอาหารได้พระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีกิเลสตัณหาเลยก็ยังทำอะไรอะไรได้เป็นอะไรอะไรได้ยังทำงานมากกว่าพวกเราที่ทำด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาท่านทำด้วยอำนาจของอะไรท่านทำเหมือนกับพวกเราที่ทำด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาอยากเป็นอย่างนั้นหรือคำตอบก็คือ ท่านทำด้วยอำนาจของปัญญาคือความรู้ที่แจ่มแจ้งถึงที่สุดว่าอะไรเป็นอะไรผิดแปลกแตกต่างจากพวกเราซึ่งทำอะไรอะไรด้วยตัณหาผลที่เกิดขึ้นนั้นคือพวกเราต้องเป็นทุกข์กันแทบตลอดเวลาส่วนท่านไม่มีทุกข์เลยท่านไม่อยากได้อะไรไม่อยากเอาอะไรผลจึงไปได้แค่คนทั้งหลายเหล่าอื่น ด้วยเมตตาของท่านนั่นเองท่านมีปัญญาเป็นเครื่องบอกว่าสิ่งนี้ควรจะทำแทนที่อยู่เฉยๆฉะนั้นท่านจึงทำการสืบอายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราได้และทั้งได้ทำประโยชน์อื่นๆ อ, อ, อีกมากมายร่างกายและจิตใจที่ปราศจากกิเลสตัณหาก็สแสวงหาและบริโภคอาหารได้ด้วยปัญญา ไม่แสแวงและบริโภคด้วยกิเลสตัณหาเหมือนแต่ก่อนเมื่อเราหวังจะเป็นผู้พ้นทุกตามรอยบาทของพระพุทธเจ้าหรือของพระอาหารหันต์ทั้งหลายเราก็ควรฝึกฝนตัวในการที่จะทำอะไรลงไปด้วยปัญญาอย่าทำไปด้วยอำนาจกิเลสตัณหาถ้าเป็นคนศึกษาเล่าเรียนก็ศึกษาไปด้วยความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ว่ามันเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาถ้าประกอบการงานอย่างใดยอย่างหนึ่ง<ม>ก็ทำไปด้วยความรู้สึกผิดชอบชั่วดีว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนควรกระทำและทำให้ดีที่สุดด้วยความเยือกเย็นเท่าที่สติปัญญาจะอำนวยให้ถ้าทำไปด้วยตันหามันจะร้อนใจเมื่อกําลังทำและร้อนใจเมื่อทาเสร็จแล้ว แต่ถ้าทำด้วยอำนาจของปัญญาควบคุมอยู่จะไม่ร้อนใจเลยผลแตกต่างกันอย่างนี้ฉะนั้นเราจําเป็นจะต้องรู้อยู่เสมอว่าสิ่งทั้งหลายโดยที่แท้แล้วเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่น่าเอาไม่น่าเป็นจะเข้าไปเกี่ยวข้องก็เข้าไปด้วยปัญญาการกระทาของเราก็จักไม่ตกล่มของกิเลสตัณหา การทำด้วยสติปัญญาจะไม่มีความทุกข์ตั้งแต่เบื้องต้นจนปลายจิตใจจะไม่มีความหลงยึดถืออย่างหลับหูหลับตาว่าเป็นของหน้าเอาหน้าเป็นทำไปด้วยจิตว่างปล่อยให้เป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือตามกฎหมายยกตัวอย่างเช่นเรามีที่ดินเป็นทรัพย์สมบัติอยู่ เราไม่จำเป็นต้องมีความรู้สึกที่เป็นตันหาไปยึดถือในสิ่งนั้นจนถึงกับหนักอ ก, ห น, กหนักใจแผดเผาหัวใจกฎหมายยังคงคุ้มครองที่ดินผืนนั้นให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเราอยู่นั่นเองเราไม่ต้องทุกข์ร้อนวิตกกังวลมันไม่ได้หลุดมือหายไปไหนแม้ว่าจะมีใครมาแย่งชิงก็ยังคงทำการต้านทานป้องกันได้ด้วยสติปัญญา ไม่ต้องต้านทานด้วยกิเลสตัณหาให้เราร้อนด้วยไฟโทสะเราอาศัยอำนาจกฎหมายทำการต้านทานได้โดยไม่ต้องมีความทุกข์เราก็ยังคงรักษาคุ้มครองเอาไว้ได้แต่ถ้าหากว่ามันจะหลุดมือไปจริงๆเราจะมีกิเลสตัณหาหรือไม่ก็ตามมันก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเป็นนิด คิดเสียดังนี้แล้วเราก็ไม่ต้องทุกข์ร้อนอะไรแม้การเป็นก็เหมือนกันไม่ต้องไปยึดถือในการได้เป็นนัน่นเป็นนี่เพราะว่าโดยที่แท้แล้วไม่มีอะไรที่น่าสนุกเลยล้วนแต่นำมาซึ่งความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งทั้งนั้นอุบายง่ายๆที่เราต้องพิจารณาซึ่งเรียกว่าวิปัสสนาหรือเป็นการปฏิบัติธรรมโดยตรงก็คือ พิจารณาให้เห็นว่าไม่มีอะไรที่น่าเป็นหรือไม่มีการเป็นอะไรที่น่าสนุกเลยท่านทั้งหลายลองตั้งปัญหาสำหรับพิจารณาในข้อนี้ว่าการเป็นอะไรบ้างที่น่าสนุกเช่นเป็นบุตรเป็นบิดามารดาเป็นสามีเป็นภรรยาหรือเป็นนายเขาเป็นบ่าวเขาสนุกไหมเป็นมนุษย์สนุกไหม กระทั่งว่าเป็นพรมสนุกหรือไม่ถ้าท่านมีความรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอย่างแท้จริงแล้วทุกอย่างล้วนแต่ไม่มีอะไรที่น่าสนุกเลยเราต้องทนทำทนเป็นทนเอาทนอยู่โดยไม่รู้สึกตัวแล้วทําไมเราจะต้องไปมอบกายถวายชีวิตหลงไหลเอาหลงไหลเป็นหรือทําไปด้วยอํานาจของกิเลสตัณหา เราควรจะมีความรู้ที่ถูกต้องในสิ่งเหล่านี้แล้วมีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ในอาการที่จะให้เป็นทุกข์น้อยที่สุดหรือไม่ให้เป็นทุกข์เสียเลยยิ่งดีอีกประการหนึ่งเราจะต้องทำความเข้าใจกับผู้ที่อยู่ร่วมกันในโลกจะเป็นมิตรสหายแม้ที่สุดบุตรภรรยาผู้ใกล้ชิดสนิทสนมว่า สิ่งทั้งปวงมันเป็นอย่างนี้ให้เขามีความเข้าใจที่ถูกต้องเหมือนกับเราแล้วก็จะไม่มีอะไรขัดขวางกันในครอบครัวในบ้านเมืองตลอดถึงในโลกต่างคนต่างมีจิตใจที่ไม่ยึดมั่นลหลงไหลในสิ่งใดๆหรือในการแลกกันด้วยอำนาจกิเลสตัณหาแต่ว่าคงมีชีวิตเป็นอยู่ด้วยอำนาจของปัญญา โดยมองเห็นชัดอยู่เสมอว่าไม่มีอะไรที่จะยึดถืออย่างจริงจังได้ขอให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีอะไรเป็นตัวตนอย่างแท้จริงไม่น่าหลงไหลด้วยกำลังใจทั้งหมดทั้งสิน้นควรยับยั้งด้วยปัญญาเรียกว่าเป็นผู้รู้ด้วยปัญญามีความเห็นถูกต้องตามคำสอนแห่งพระพุทธศาสนา จึงสมควรจะเรียกว่าเป็นพุทธบริษัทโดยแท้จริงแม้จะไม่เคยบวชไม่เคยรับศีลแต่ก็เป็นบุคคลที่เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างแท้จริงเขามีจิตใจอย่างเดียวกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือมีความสะอาดสว่างสงบในใจเพราะเหตุที่ไม่ยึดถือในสิ่งใดว่าหน้าเอาหรือน่าเป็นนั่นเอง เขาจึงเป็นพุทธบริษัทขึ้นมาได้โดยสมบูรณ์อย่างง่ายดายและอย่างแท้จริงด้วยอาศัยอุบายถูกต้องที่พิจารณามองเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์และความไม่ใช่ตัวตนของตัวของตนจนเกิดความรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาน่าเป็นสักอย่างเดียวความชั่วที่เป็นชั้นทรมานที่สุดก็มาจากความอยากเอาอยากเป็น ด้วยอำนาจกิเลสตันหาความชั่วที่เบาขึ้นมาก็ทำกันด้วยอำนาจของความรู้สึกที่เบาด้วยกิเลสตันหาความดีทั้งหลายก็ทำด้วยตันหาชนิดที่ดีที่ประนีตละเอียดสูงขึ้นไปเป็นความอยากเอาอยากเป็นในชั้นดีแม้ความดีถึงที่สุดก็ทำด้วยตันหาที่ประนีตละเอียดที่สุด จนคนไม่ถือว่าเป็นความชั่วเลยแต่แล้วก็ยังไม่พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้เพราะฉะนั้นผู้ที่พ้นทุกข์ถึงที่สุดกล่าวคือพระอรหันต์จึงเป็นผู้ที่หมดจากการกระทำด้วยอำนาจของตัณหากลายเป็นบุคคลที่ทาชั่วทำดีไม่ได้ทำได้แต่สิ่งที่เหนือไปกว่าความชั่วและความดี คือมีใจเป็นอิสระอยู่เหนือการครอบงำในค่าของความชั่วและความดีท่านจึงไม่มีความทุกข์เลยหลักของพระพุทธศาสนามีอยู่อย่างนี้เราจะทําได้หรือไม่ได้ก็ตามปรารถนาหรือไม่ปรารถนาก็ตามแนวของความพ้นทุกข์ย่อมมีอยู่อย่างนี้วันนี้ยังไม่ปรารถนาวันหน้าก็จะต้องปรารถนาเพราะว่า เมื่อได้ละความชั่วเสร็จแล้วความดีก็ได้ทำมาเต็มเปี่ยมแล้วแต่จิตยังหม่นหมองด้วยตัณหาชั้นปราณีตบางประการอยู่และก็ไม่รู้จักจะดับด้วยวิธีใดนอกจากพยายามอยู่เหนืออำนาจตัณหาคืออยู่เหนือการที่จะไปอยากได้อยากเป็นทั้งในสิ่งที่ชั่วหรือสิ่งที่ดีก็ตามต้องไม่มีความอยากโดยสิ้นเชิง จึงจะพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้คือเข้าถึงนิพพานสรุปความว่าการรู้ว่าอะไรเป็นอะไรถึงที่สุดนั้นคือรู้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนของตนเมื่อรู้โดยแท้จริงแล้วก็จะเกิดความรู้ชนิดที่จิตใจจะไม่อยากเป็นอะไรด้วยความยึดถือ และถ้าต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดๆที่เรียกกันว่าความมีความเป็นบ้างก็เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยสติสัมปชัญญะด้วยอำนาจของปัญญาไม่เกี่ยวข้องด้วยอำนาจของตัณหาเพราะฉะนั้นจึงไม่มีความทุกข์เลย